ไปนี้ขอให้ทุกคนพากันตั้งใจที่จะทำสมาธิกันต่อไปในเบื้องต้นนี้นตามาก็จะได้นำขอให้ทุกคนว่าตามข้าพเจ้ า, า, จาและเลือกอถึงคุณพระพุทธเจ้ า, า, จาคุณพระธรรมคุณพระสง คุณบิดตามม า, าคุณครูบาอาจารย์จงมาดนบรรดาให้ใจของข้าะเจ้าจงรวมลงเป็นสมาธิพุทโธธรรมโอสังโฆพุทโธธรรมอสังโฆ พุทโธธรรมอสังโฆพุทโธพุทโธพุทโธนี่ก็ให้นึกไว้ในใจนั่งขัดะมาธขาเบื้องขวาทับขาเบื้องซ้ายมือเบื้องขวาหงายทับมือเบื้องซ้ายวางไว้บนจักหลับตานึกพุทโธในใจการที่ พวกเราทั้งหลายงาฝึกสมาธิเป็นทางที่ถูกต้องเพราะตรงถึงใจของเราในที่พวกเราพากันใช้อยู่ทุกวันนี้เราเอาใจของเราใช้เป็นผู้บังคับบัญชาเวลาที่จะทำอะไรทั้งหมด ใจเป็นผู้บังคับบัญชาให้ทำนับตั้งแต่เราตื่นขึ้นและเราเดินไปทานอาหารลางหน้าทำงานและอาบน้ำถึงนอนก็ชื่อว่าใจเป็นผู้สั่งการทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นผู้ที่ทำงานมากที่สุด ก็คือใจของเราเป็นผู้ทํางานมากที่สุดเมื่อเป็นเช่นนั้นการที่จะต้องมีการแปรสภาพหรือการเปลี่ยนแปลงของจิตใจก็ย่อมต้องมีด้วยเหตุอย่างนั้นเมื่อเวลาใช่มันมากเมื่ออายุมากแล้ว คนแก่เขาถึงว่าบ่นมากอันนั่นก็จะต้องกังวลด้วยอันนี้ก็ต้องกังวลด้วยกพรเพราะเหตุที่ว่าจิตใจนั้นใช้มามากแล้วแต่ได้สูญเสียพลังไปเยอะแล้วเลยทำให้จิตใจนั้นมีความอ่อนแอลงไป เมื่อเกิดความอ่อนแอแล้วไม่มีอะไรที่จะเข้ามาเสริมก็เลยกลายเป็นคนหงุดหงิดแล้วก็กลายเป็นคนขี้บน่นแล้วก็กลายเป็นคนที่อะไรอะไรก็จะต้องทําไปเสียหมดคือคนเรานั้นจะทําอะไรมันก็จําเป็นจะต้องทําแต่จะเพราะสิ่ง เมื่อเลิกไปแล้วก็เป็นอันว่าแล้วกันไปไม่ต้องออามาคำหนึงคิดให้มันปวดสมองอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่คนที่ไม่สามารถจะถ่ายถอนอุปท า, านคือไม่สามารถที่จะถ่ายถอนความยึดมั่นก็เพราะเหตุที่ขาดพลังจิตก็เลยนำเอาสิ่งต่างต่างนั้นมาเก็บไว้ที่สมองแล้วก็ ใช้ความนึกคิดก็เลยทำให้เกิดความฟุ้งซ่านและเกิดความวุ่นวายเกิดความว้าวุ่นบางคนนั้นนอนอยู่ในห้องแอร์อยู่ในตึกที่สวยงามแต่ว่าว้าวุ่นอยู่ในจิตใจไม่มีความสุขใดก็เพราะเหตุไม่มีพรรังจิต เทสามารถจะควบคุมจิตทัตนได้บางคนนั้นเมื่อถึงคราวที่ควบคุมไม่ไหวถึงฆ่าถึงตีกันถึงทำร้ายทําผิดศีลทําผิดต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ผู้ที่ไม่สามารถควบคุมจิตได้ทั้งนั้นที่เป็นเช่นนั้นเพราะขาด พลังจิตนั่นเองยิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็จะต้องเป็นผูท้ที่อมเรียกว่าอมโรคอมโรคก็คืออมโรคจิตเมื่ออมโลกจิตขึ้นไว้ก็มีแต่ที่จะทาสิ่งต่างๆให้เกิดสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็หมายความถึงความปรุงแต่ง เมื่อไม่มีใครเข้ามาว่าอะไรตัวเองก็ว่าตัวเองในที่สุดก็ปรุงแต่งขึ้นมาในตัวเองอยู่ไม่เป็นสุขเพราะฉะนั้นความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีจึงอยู่ที่ใจใจเป็นผู้สุขใจเป็นผู้ทุกข์เพราะฉะนั้นพุทธศาสานาจึงได้สอนพุท ธ, ธบริสัท ให้พากันมาปฏิบัติในทางใจเสียเพื่อที่จะได้ส่งเสริมเพิ่มพลังจิตให้มีมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะจแสวงหาความสุขอันเกิดขึ้นจากชีวิตของตอนถ้าแม้นว่าไม่มาฝึกจิตไม่ได้ฝึกจิตไม่ได้ทําจิตใจเราก็พากัน ใช้อย่างเดียวเมื่อใช้อย่างเดียวไม่ว่าจะอยู่ที่ใดจะอยู่ในไหนก็มีแต่ความร้อนระอุความร้อนระอุที่เกิดขึ้นเพราะจิตของเรานั้นมันเป็นไฟไฟสามกองที่ไม่จิตอยู่นั้นก็คือหนึ่งราคชินา ไฟ ค, คือราคะกองหนึ่งโทสักชินาไฟ ค, คือโทสะกองหนึ่งโมหะชินาไฟ ค, คือโมหะกองหนึ่งอักคิแปลว่าไฟที่พระพุทธเจ้าแสดงในอาทิตตปริยายสูตรนั้นพระองค์ได้ทรงแสดงถึงกองไฟ ร, ราคคิไฟ ค, คือความแห่กำหนัดยินดี โสัคิไฟคืออาฆาตพยาบาทความโกรธโมหคิไฟคือความลุ่มหลงงมวเมาทั้งสามกรองเหล่านี้มันมีอยู่ในจิตคือมีอยู่ในจิตทุกคนไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นใครก็ตามนับไปตั้งแต่ยาจกไปจนกระทั่งถึงพระราชา หรือจะเป็นผู้มีอำนาจวัสนาในทัพในกองเมื่อมีจิตใจที่พร้อมด้วยไฟทั้งสามกองนี้แล้วราคะคิโทสักคิโมหคิย่อมจะเผาผัานให้จิตนั้นร้อนระอุอยู่ตลอดไปอันการที่เกิดความร้อนระอุนั้นไม่ใช่ว่ามีความศัก ต้องมีความกังวลต้องมีความหวาดกลัวต้องมีความมีความวุ่นวายแม้ว่าจะอยู่ตรงไหนก็วุ่นวายตรงนั้นจึงหาความสุขอะไรไม่ได้ถึงแม้ว่าจะมีสิ่งบางสิ่งบางประการที่ปลดเปลื่องความทุกข์ออกชั่วระยะมันก็เพียงนิดหนึ่ง ท่านกล่าวว่าเหมือนช้างกับพับหูงูแลบลิ้นซึ่งมันก็เป็นชั่วนิดหนึ่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นพุทธบริษัทจึงมีโชคดีที่สุดที่ได้มาพบคำสั่งสอนที่แสดงทั้งเรื่องจิตใจนี้ไว้จำนวนมากในพระไตรปิฎกทั้งหมดมีทั้งหมดแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ พระองค์ทรงแสดงพระวินัยซะสองหมื่นสองพันพระธรรมขันธ์พระองค์ทรงแสดงพระสุตันตะพิดกเสียสองหมืสองพันพระธรรมขันธ์แต่ว่าพระองค์ได้ทรงแสดงพระอภิธรรมถึงสี่หมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์เลียวกว่าหึงหนึ่งของคำสอนของพระพุทธเจ้าของพระพุทธศาสนา พระอภิธรรมนั้นคือการแสดงถึงเรื่องจิตเพียงอย่างเดียวเรียกว่าแสดงถึงเรื่องจิตใจในพระอภิธรรมถึงสี่หมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์เพราะฉะนั้นในพระพุทธศาสนาจึงให้ความสาคัญในการปฏิบัติจิตใจจึงได้มีการแสดง พระพุทธเจ้าสแสดงถึงเรื่องจิตใจนั้นมากที่สุดทั้งเน้เพื่อยังประโยชน์สุขให้แก่มวลมนุษย์ชาติเป็นอันมากที่เกิดขึ้นมาพบแต่ความทุกข์ยากลำบากพบแต่ความเกิดแก่เจ็บตายพบแต่ความโศกเศร้าเสียใจร้องไห้ร่าไรรําพันพบแต่อุปยา่าดความทับแทันแน่นใจ ยำปิดฉังนลัลพติจำปิลุถังปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมความปรารถนาสิ่งนั้นก็เป็นทกเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์มีพระมหากรุณาธิคุณพระองค์จึงได้ทรงประกาศาศาสนธรรมที่เรียกว่าสัจธรรมสั จ, จแปลว่าของจริงของจริงนั้น ไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เขาเรียกว่าของจริงของจริงเรียกว่าสัจจะของจริงจึงสามารถพิสูจน์ได้เช่นทองคาเมืม่อเป็นทองคาที่จริงแล้วไฟเผาก็พิเถิดยิ่งเผาเท่าไหรมันก็ยิ่งสุดเท่านั้นเรียกว่ายิ่งเผาก็ียิ่งสุดยิ่งแดงละแต่ถ้าหากว่ามันเป็นของปลอมเมื่อไหร่ เขาฟับเดียวก็ดำมิดหมีนี่คือสัจธรรมคำสอนของพระพุธเทธเจ้าสามารถที่จะพิสูจน์ได้ที่พระองค์ทรงสแสดงว่าสวะาขาตอพัทวาตา ธ, าธารรมโมพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสดีแล้วคำว่าทรงตรัสดีแล้วนั้นหมายถึงสัจธรรมไม่ใช่ทรงตรัสไม่ดีเคอทรงตรัสดี ทรงจัดทุกอย่างที่เรียกว่าเป็นนิยานิกระธรรมเป็นธรรมเพื่อที่จะนำออกซึ่งความทุกข์ทั้งหลายแหล่สรอสวาขาต่อพระวตาธรรมโมสันทิทิโกผู้ปติบัติจะพึงเห็นเองเห็นเองนั้นเราจะเปรียบเทียบได้เหมือนรับประทานอาหารผู้ที่รับประทานอาหารนั้น ผู้นั้นจะเป็นผู้เห็นเองรสเปรี้ยวหวานมันเค็มคนอื่นเห็นด้วยไม่ได้หรือเป็นผู้ที่อิม่มผู้นั้นจะรู้เองว่าอิม่มหิวผู้นั้นจะรู้เองว่าหิวนี่เรียกว่าสันทิษทีโกเป็นข้อเปเรียบเทียบเมื่อรับประทานอาหารอิม่มความอิ่มนั้นไม่สามารถที่จะดึงออกมาเขียนเป็นภาพ ออกมาให้คนเห็นได้ไม่สามารถที่จะจับไม่สามารถที่จะเอาอะไรมาพูดเพียงพูดได้ว่าอิ่มคำเดียวเพราะฉะนั้นถ้าใครคนอื่นก็อิ่มอีกคนหนึง่งแล้วใครคนอื่นก็อิ่มอีกคนหนึง่งแล้วต่างคนต่างอิ่มแล้วเราก็รู้กันเพียงพูดว่าอิ่มอิ่มหรื อ, อยังอิ่มแล้วเท่านี้เรารู้กันเพราะเหตุใด เพราะเหตุว่าต่างคนต่างอิ่มมันก็รู้ว่าอิ่มคืออะไรแต่ไม่สามารถที่จะจับออกมาพูดหรือเอาออกมาเป็นตัวเป็นตนได้สันทิธิโกโกปฏิบัติเจพึงเห็นเองก็เช่นเดียวกันโกปฏิบัติเจพึงเห็นเองเมื่อปฏิบัติทำจิตลงไปแล้วเมื่อ ปฏิบัติทำจิตลงไปก็เกิดความสงบเกิดความสบายเกิดความผ่องใสเกิดความสะอาดเกิดความนุ่มนวลเกิดความเบาทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั่นมันเย็นสบายจริงๆสบายจริงๆแต่ก็ไม่สามารถจะนำมาออกมาพูดได้ไม่สามารถจะจับออกมาเป็นตัวเป็นตัวออกมาประกาศได้แต่ว่า ใครนั่งสมาธิด้วยกันบอกว่าได้ทได้จิตรวมแล้วได้สบายแล้วก็เกิดความสบายอีกคนก็นั่งสมาธิอีกนั่งสมาธิแล้วก็เกิดความสบายอีกแล้วอีกคนก็นั่งสมาธิอีกเกิดความสบายอีกทั้งหลายเหล่านั้นก็มารวมพูดกันว่านั่งสมาธิสบายไหมสบาย เท่านั้นก็รู้กันนั่งสมาธินุ่มนวลไม่นุ่มนวลนั่นงสมาธิอจิต <c oughs> รวมไม่รวมก็รู้กันแล้วว่าเมื่อจิตรวมสบายมันเป็นยังไงเหมือนคนที่อิ่มตังคนตังอิ่มพูดบอกว่าอิ่มฉันก็รู้แล้วว่าอิ่มพูดให้คนนั้นฟังก็รู้พูใหคนนี้ฟังก็รู้จิตฉันรวมจิตฉันเป็นสมาธิฉันก็รู้ต่างคนก็ต่างรู้ เพราะพูดกันเพราต่างคนต่างทําสมาธิต่างคนต่างได้สมาธิต่างคนต่างมีความเยอเือกเย็นสบายอยู่ด้วยกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อมาพบเช่นนี้ก็เท่ากันกันกบว่าสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติจะเป็นเห็นเองดังนี้อากาโกไม่เลือกการไม่เลือกเวลาท่านจะนั่งสมาธิตอนเช้าก็ได้ จะนั่งสมาธิตอนบ่ายก็ได้จะนั่งสมาธิตอนเย็นก็ได้จะนั่งสมาธิกลางคืนก็ได้หรือว่าเราจะไปทำบุญเวลาไหนก็ได้เราจะสร้างศีลเวลาไหนก็ได้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าอะกาลิโกแต่ทำเมื่อไรก็ไม่ทุกเวลาผนก็จะต้องเกิดขึ้นเช้า ผลก็เกิดกลางวันผลก็เกิดเย็นผลก็เกิดกลางคืนผลก็เกิดไม่ใช่ว่าทําสมาธิตอนกลางวันไม่มีผลต้องทํากลางคืนตั้งจะมีผลทํากลางคืนไม่มีผลจะต้องทํากลางวันตังจะมีผลอย่างนี้ไม่ใช่อะคาลิโกไม่เลือกการไม่เลือกเวลาที่ไม่เลือกการไม่เลือกเวลานั้นก็เพราะว่าเป็นธรรมะพิเศษ ธรรมะของพระพุทธเจ้านะั้นพิเศษเรียกว่าวิเศษเพราะฉะนั้นไม่เลือกจะเป็นเลือกการสถานที่จะเป็นเมืองไทยเมืองฝรั่ ง, เ ม, งเมืองจีนอะไรต่างๆนั้นไม่เลือกไม่เลือกดี่จะแห่งไม่เลือกการเลยธรรมะพิเศษมีอยู่ทั่วไปคุณธรรมมีอยู่ทั่วไปพระอรหรันต์ ถ้าอริยะบุคคลโสดาสกิตาคาอนาคาระหันมีอยู่จะทําประเทศจีนก็มีจะทําประเทศไทยก็มีจะทําประเทศฝรั่งก็มีจะทําประเทศญี่ปุ่นก็มีจะทําประเทศไหนก็ได้ธรรมะพิเศษก็เกิดขึ้นจริงเรียกว่าธรรมะอัศจริ๊งเรียกว่าอาการิโก อ, โ อ, อัโอปันน่ิโก อากาลิโกเอฮิปัสิโกควรที่จะรองเรียกคนอื่นมาดูได้ธรรมะที่ปฏิบัตินี้ถึงแม้ว่าตาจะมองไม่เห็นแต่ว่ามันเป็นนามธรรมคนก็บอกว่ามันไม่มีตัวตนเนี่ยมันไม่มองอะไรไม่เห็นเนี่แล้วจะเป็นธรรมะได้อย่างไรต้องพิสูจน์กันสิจับเอามาเป็นชิ้นๆสี่มาวางไว้จะได้เห็น อย่างนี้ก็ไม่ใช่ไม่จำเป็นต้องจับชิ้นนออกมาหรอกเหมือนกับที่ได้กล่าวมาแล้วเอฮิปัสโกควรที่จะร้องเรียกคนอื่นมาดูได้อย่างเราพากันรับประทานอาหารอิ่มนี่ก็บอกคนอื่นได้เลยบอกได้เลยว่าฉันอิ่มแล้วแล้วฉันอิ่มแล้วอย่างนี้ก็เรีย ก, กว่าประกาศให้คนรู้แล้วว่าฉันเป็นผู้อิ่มแล้วมันอิ่มจริงๆ ไม่ใช่ว่าฉันพูดเล่นมันอิ่มจริงๆอ่ะคนไหนกินมันก็อิ่มบอกว่าฉันอิ่มแล้วเท่านี้ก็เหมือนกันกับเอฮิปัสโกควรร้องเรียกคนอื่นมาดูได้มันสบายจริงๆนฉันก็ได้รับความสบายจริงๆเวลาจิตมันสงบลงไปฉันก็สบายจริงๆมันจริงอย่างนี้ไม่เรียกว่าจริงอย่างนี้ถ้าฉะนั้น คำที่ว่าเอฮิปัสโกจึงควรรองเรียกคนอื่นมาดูได้เพราะมันมีอยู่ความสงบของจิตความสบายของจิตความวิเวกของจิตความวังเวนของจิตความละเอียดอ่อนของจิตความนุ่มนวลของจิตอะไรต่างๆที่มีอยู่นี่มันมีจริงๆควรจะรองเรียกคนอื่นมาดูได้จริงๆโอปันนะยโกต่อไปพระพุทธองค์ก็บอกว่าควรน้อมมาใส่ตน ถ้าหากว่าไปบอกคนอื่นก็ไม่เชื่อเราก็อย่าไปบังคับไม่เขาเชื่อไปบังคับกันเชื่อมีได้ถึงไปบังคับให้เขาเชื่ อ, เ, อ, เ, ข เ, อเขาเชื่อมันก็เรียกว่าเชื่อแต่ปากใจเขาก็ไม่เชื่อเพราะฉะนั้นการที่จะให้คนอื่นเชื่อก็ต่อเมื่อเขาต้องมาทำอย่างเราเขาถึงจะเชื่อได้ว่าจิตมันสบายอย่างนี้ ถึงจะหมดความสงสัยเพราะฉะนั้นเมื่อพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าโอปนนทิโกโให้น้อมมาเสียตนเราเอาตัวของเราเป็นอันดับแรกตัวเราสําคัญกว่าตัวเราสําคัญกว่าเพราะว่าตกนรกก็ตัวเราขึ้นสวรรค์ก็ตัวเรามาเกิดเป็นมนุษย์ก็ตัวเราไปเกิดเป็นสัตว์ก็ตัวเรานมถึงใจตัวเรานั้น เท่านั้นที่จะต้องไปคนอื่นนั้นเขาจะไปช่วยเราได้หรือเขาช่วยเราไม่ได้มื่เขาช่วยเราไม่ได้เราก็น้อมมาใส่ตัวซิโอปันญโยแปลว่าควรน้อมมาใส่ตนหมายความว่าตนของตนเป็นผู้ปฏิบัติเจอปฏิบัติให้เกิดขึ้นน้อมมาใส่ตัวของเราอยู่ตลอดเวลา เพื่อที่จะให้เกิดสัทธาพระสัพพะคนเชื่อคนเริ่มใสในที่สุดของธรรมคุณพระองค์ก็ทรงตรัสว่าปัจจตังเวทิตพรวินโยหิวินยูชนจะพึงรู้เฉพาะตนวินยูชนหมายถึงว่าพูดีปัญญาชนวินยูชนก็คือปัญญาชน ปัญญาชนคือเขเป็นบุคคลผู้อยู่ที่อยู่ในอันดับแห่งความเป็นผู้ที่มีสติมีปัญญาเหนือกว่าคนอื่นท่าเรียกว่าปัญญาชนปัญญาชนนั้นจะต้องรู้เฉพาะตัวหมายความว่าเรารู้เฉพาะตัวการที่เราปฏิบัติจิตนี่เราจะไปเผื่อคนอื่นย่อมไม่ได้ เราทำเราก็ได้คนอื่นเขาอยากได้อย่างเราก็กดทำมาเสะใครอยากได้ใครก็ทำเสิไม่ใช่ว่าทำสมาธิได้หนึ่งร้อยเอาไปแบ่งเขาซะายี่สิบไม่ใช่ทำอย่างนั้นไม่ได้ก็มันเป็นไปไม่ได้เมื่อใครต้องการอยากได้สมาธิต้องนั่งเอาหรือว่าคิดว่าตัวมีอำนาจมากมาขูบา่บังคับ บอกว่าไม่ให้สมาธิฉันไม่ได้นะแกต้องให้ถึงจะขู่บังคับแค่ไหนก็เอาไปไม่ได้หรือคนนี้มีเงินร้อยล้านพันล้านต้องการอยากจะได้สมาธิเอาเงินบอกว่าแกเอามาให้ฉันสิเอาไปล้านหนึง่งก็เอาไม่ได้อีกเลยถึงกี่ร้อยล้านก็เอาไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นถ้าฉะนั้นจึงเรียกว่าปัจจตังวินโอวินยูหิติ วิญญาชนจะพึงรู้ได้เฉพาะตนต่างคนต่างจะต้องรู้ได้เฉพาะตนนี่เรื่องของสมาธิทีนี่เรื่องของสมาธินั้นมันก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องควรที่จะเข้าใจเข้าใจให้ท่องแท้ว่าเมื่อเราทำให้เกิดความสาเร็จผลสำเร็จที่เกิดขึ้นนั้นมหาศาล เรียกว่าเป็นอา마ตะธรรมเป็นธรรมที่ไม่ตายถึงสติติดอยู่ในใจของเราเนี่นแหละเมื่อเราทำสมาธิวันนี้ทำได้ทถานี้วันนั้นทำได้ทถานั้นวันโน้นทำได้เถ่นโน้นมันก็ยังอยู่อย่างเก่าถึงแม้ว่าเราตายไปแล้วก็ เ, เอาร่างกายเราไปเผาไฟแต่ว่าสมาธิเผาไม่ได้ที่เราทเอาไวเ้เผาไม่ได้ หรือว่าเราจะพัดจะปลูกเผื อ, อยังไงไปไม่ทราบไปทำบาปตกนรกลงไปสมาธิก็ไม่ได้ถูกเผาไปในนรกยังสามารถที่จะอยู่ปกติดังเดิมยกตัวอย่างเช่นพระองค์หนึ่งที่เคยเป็นสมพันธ์ที่เหนียว แล้วต่อมาภายหลังไปตกนรกแล้วก็พ้นจากนรกก็มาเกิดทันพระพุทธเจ้าของเรา hmm. แล้วพระพุทธเจ้าก็เล็งยานดูก็รู้ว่าอา้ mm hmm. อาวอาชีวคนนี้มันเคยทำสมาธิมาแล้วเนี่ยพระองค์ก็จะเด็ดไปปรดเทศให้ฟังพอเทศจบ ข้อปฏิบัติหรือเรียกว่าธรรมะที่ได้ปฏิบัติมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานนั้นก็ได้ประสบผลสําเร็จได้สําเร็จเป็นพระอระหันต์ในทันทีนี่เรื่องก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นสมาธิตกนหําไม่ไหลตกไปไม่ใหม่เราทำหนึ่งเทก็เราทำสองเทก็เราทำสามทีก็เราทำร้อยทีพันเทก็รวมลงไป เรียกว่าสะสมเก็บเอาไว้ไม่มีการสูญเสียจึงเป็นสิ่งที่น่าจะทำและหน้าที่พวกเราจะต้องมีความขยันหมั่นเพียรมีความปาฏถนาดที่จะทำให้เกิดความจริงจังที่เขาว่าทำสมาธิแล้วเป็นว่าไม่ใช่หรอก คนเป็นบ้าทําสมาธิ่งก็หายนะฮะคนที่ทําสมาธิแนละ้วเป็นบ้าคนมันบ้าอยู่แล้วแล้วทำสมาธิมันก็แก้ได้บ้างเนี่ยนั้นมากเกินไปมันก็แก้ไม่ได้มันเลยบ้าไปแล้วก็มาว่าทําสมาธิเป็นบ้าไม่ใช่อย่างนั้นนล้เมื่อสมาธิของเราเข้าขัน้นเรียกว่าเป็นสมาธิที่มีกําลังแก่กล้า เงินเป็นสมาธิที่มีกำลังแก่กล้าอย่างนั้นแล้วทีนี้ก็ย้อนกลับมาเป็นประโยชน์ย้อนกลับมาเป็นประโยชน์ให้เรามีพลังจิตสามารถที่จะควบคุมจิตของเราได้ไม่ให้ไฟราคะโทสะโมหะหรือเรียกว่าราคคิโทสกิโมหกิที่มันมีกาลัง ที่มันมีกำลังมากเหล่านั้นให้มันมีกำลังยิ่งขึ้นเมื่อสมาธิก็ควบคุมแล้วก็ควกกิเลสเหล่านั้นมันก็อ่อนกาลังลงเราก็สามารถควบคุมจิตของเราสามารถอยู่ในความเป็นธรรมวาสมีความสุขความสบายได้ทำกิ จ, จการงานต่างๆก็สุขสบายได้ทำ งานต่างๆหรือว่าจะไปมีเรื่องราวอะไรต่างๆเกิดขึ้นก็นสามารถที่จะระงับได้เราก็เกิดความสุขเกิดความสมบายเมื่อต้องการความสมบายก็เข่าที่เข่าสมาธิเดี๋ยวก็สบายแล้วเพราะมันอยู่ในตัวของเราพอไปเหนื่อยๆมามากนักเดี๋ยวเดี๋ยวอาบน้ำอาบท่าก็สมาธิสักเดียเด๋ยวเดี๋ยวก็สบายขึ้นมาแล้วอย่างนี้ เหมือน ก, นกันกับเรามีอาหารไว้ในตู้พอเวลาเราหิวเมื่อหิวแล้วนี่ไปจับอาหารมาทานเมื่อไหร่ก็ได้พร้อมแล้วอยู่ในตู้สมาธิที่เราทำเก็บเอาไว้นั้นเมื่อถึงคราวเราเทเราต้องการอยากจะสบายไปนั่งสมาธิสักเดียวในที่สุดมันก็เกิดความสบายขึ้นมาได้ นี่มันมีประโยชน์เหลือเกินมากม า, กายไกลกองสียเรื่องของสมาธินี่เพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายสมควรอยู่แล้วที่เราจะเสียสละเวลาเสียสละเวลามาทำสมาธิเพื่อส่งเสริมพลังจิตท่านทั้งหลายกะพาท่านเข้าใจอย่างเงี้ยว่าทำสมาธินี่ทำเพื่ออะไร <L an ly> เราทำไปทำไมกาทำสมาธินี่สมาธินี่เมื่อพูดการรวบรัตัดใจความสมัยความว่าเราทำสมาธิเพื่อให้เกิดพลังจิตนี่เป็นการที่ถูกต้องเราทำสมาธิเพื่ออะไรเราทำสมาธิเพื่อให้เกิดพลังจิตนี่เป็นการถูกต้องเมื่อให้เกิดพลังจิตนัน้น การทำสมาธิเพื่อให้เกิดพลังจิตเมื่อเรานั่งสมาธิไปเนี่ยเรานึกพุทโธพุทโธเรานึกพุทโธแล้วต้องการจะให้จิตมันละเอียดกว่านั้นเราก็เลิกนึกพุทโธเสียเรากําหนดจิตเอาไว้จิตสงบอา่าเรียกว่าจิตนี้เปลื่ยนชั้นขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วจากนั้นไปเราก็ทําเรื่อยไปอยู่จนกระทั่ง สามารถที่จะเข้าจิตเมื่อไรได้นั่นเรียกว่าสมาธิชั้นสูงเข้าเมลัยก็เข้าได้เรียกว่าสมาธิชั้นสูงและก็ให้เปรียบเทียบ ก, การทำสมาธิท่านก็เปรียบเทียบเหมือน ก, นกันกับการเลี้ยงเด็กการเลี้ยงเด็กนั้นเราให้อาหารเข้าไปอาหารนั้นก็กลับกลายไปเป็นวิตามินโปรตีนต่างๆในที่สุดเด็กก็โตขึ้นโตขึ้น ว่าอาหารชั้นใดก็ดีสมาธิก็เปรียบเหมือนกับอาหารเมื่อทำสมาธิเป็นสมาธิขึ้นมาแล้วสมาธินั่นแหละก็กลับกลายไปเป็นอาหารของใจทำให้ใจนี้เกิดโตขึ้นในขณะที่ใจเรายังไม่ได้ฝึกฝนนั่นเรียกว่าเป็นเด็กเล็กหน้าเนียกต่ใจเป็นเด็กมากแต่ถ้าหากไม่ได้รับการฝึกฝน จนกระทั่งพลังจิตนี้มากขึ้นสมาธินั้นก็จะไปหล่อเลี้ยงจิตให้จิตนี้มีกำลังจนกระทั่งเป็นใหญ่เป็นใหญ่นั้นเขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าสมาธินีินีแปลว่าความเป็นใหญ่นี่เรื่องของสมาธิเป็นประโยชน์มหาศาลหรือเรื่องสมาธิได้รับผลประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับชีวิตประจาวัน หรือสำหรับที่จะให้เกิดมีความสุขสบายในชีวิตของเราทั่วๆไปก็เป็นเรื่องของสมาธินี่เองแต่ว่าท่านทั้งหลายสมาธินั้นเป็นส่วนที่จะต้องทำให้เกิดขึ้นอยู่อย่าปล่อยเมื่อเราทำได้แล้วก็พยายามทำไปเรื่อยๆ ความก้าวหน้าจะเกิดขึ้นความก้าวหน้าของสมาธิเกิดขึ้นไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครอืจะไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครเลยสมาธินี้ถึงเข้าใจว่าเป็นการระ ง, งับกิเลสชั่วริยะแต่ถ้าหากว่าจะให้ระ ง, งับหรือเรียกว่าละกิเลสจริงต้องวิปัสสนาวิปัสสนานั้นเป็นยังไงก็ ควรที่จะได้ศึกษาเพราะว่ามีที่ศึกษาไว้อีกเยอะสมาโกแสดงไก้เยอะแล้วแต่วันนี้นก็ไม่แสดงในเรื่องของรีปัจจนาว่ากันถึงเรื่องริปัจนา น, นั้นก็คือการที่กาจัดกิเลสเป็นเรื่องอย่างนั้นแต่เมื่อเราจะทําสมาธิให้เป็นผลเป็นประโยชน์นั้น มันก็เป็นประโยชน์ได้อย่างจริงจังและเมื่อกระทำยิ่งทำมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีประโยชน์ไม่เสียผลด้วยกระการทั้งพวงสาไปยนั่งสมาธิกันชน่อไป